อนุญาตถามหลวงตาค่ะก่อนอื่นเลยคําถามแรกนะคะอยากถามว่าผู้รู้อย่างที่หลวงตาบอกว่าหลวงปู่ลีท่านบอกว่ารู้อยู่กับผู้รู้นะคะผู้รู้ของหลวงตาของหลวงปู่ลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ผู้รู้ของหนูใช่ไหมคะหมายความว่ามันคนละรู้กัน คือผู้รู้ของหลวงตาของหลวงปู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้รู้ที่เป็นวิญญาณธาตุแต่ผู้รู้ของหนูเนี่ยเป็นวิญญาณขันหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้รู้วิญญาณธตวิญญาณธาตุใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าหนูยังยังไม่แบบว่าเออมันพ้นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขันห้าเนี่ยมันมีมันอยู่แล้วรูปเวทนาสัญญาตั้งขานวิญญาณขันหน้าขันหน้าวิญญาณขันเนี่ยทาหน้าที่รู้ทางตาหูจมูกลิ้กนกายใจรู้ตามถวาวรนี้เราก็รู้ใช่ไหมค่ะตัวนี้ส่วนวิญญาณธุทาสเนี่ยมีหน้าที่มารู้ตัวเราคือมันเป็นใจของเรามันก็เลยรู้ตัวเราวิญญาณธุทาสเนี่ยคือใจเรานี่แน่มันก็เลยมารู้ตัวเราเป็นใจแต่ไม่มีตัวใจหรอกไม่มีรูปไม่มีรูปร่างไม่มีตัวใจ <deserving. S 2> แต่มันอยู่ในตัวเรานี่แน่มันคงไม่ได้อยู่นอกตัวเราหรอก แต่ตัวตนของมันไม่มีแต่มันรู้ตัวเราได้หมดเลยคือเนี่ย like, อย่างเนี้ยอย่างจ๋านั่งนั่งนั่งถือไม้อย่างเงี้ยรู้ไหมว่าว่าเราตอนนี้เรานั่งอยู่ค่ะรู้ไหมว่านั่งรู้ไหมรู้ค่ะใครทำใม้รู้ตัวเรานั่งอยู่เนี่ยก็เราเนี่ยแหน่ bbe, ไอเราที่รู้ตัวเรานั่นเนี่นั FX ่นแหะคือวิญญาณธาตุเป็นเราแต้เนี่ยเราที่รู้ตัวเราเอืมค่ะตอนเนี้ยจ๋าเป็นฝ่ายฟังแล้วเวลาจ๋าเป็นฝ่ายพูดเนี่ยจ๋ารู้ไหมว่าตัวเองกําลังพูดตอนเนี้ยเป็นฝ่ายหยุดพูดเป็นฝ่ายฟังรู้ไหม รู้คะรู <última> <Todos weigh S 2> ้ไอ้นั่นแน่รู้แน่คือวิญญาณธาตุพระจ้าบอกว่าเราไม่มีโอกาสพบพบวิญญาณธาตุก็วิญญาณธาตุมันก็ทําหน้าที่ตลอดเวลาเนี่ยเรานั่งเราพูดเราคิดมันก็มีสามอย่างคือคิดพูดแล้วก็ร่างกายเราที่มีการเคลื่อนไหวการกระทําคือรู้การคิดการพูดแล้วก็ตัวเราที่เคลื่อนไหวไปมาทํานั่นทํานี่คือมันรู้เราทั้งตัวพูดง่ายทั้งตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยคือวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุมันทำหน้าที่มันอยู่แล้วแต่เราเนี่ย เราบอกว่ามันไม่มีไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไมีอยู่เราไม่มีโอกาสจะพบมันก็มันมันก็ทําหน้าที่อยู่แล้วเนี่ยถามอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าเราดั่งอยู่รู้ไหมรู้เราพูดอยู่รู้ไหมรู้เราไม่ได้พูดรู้ไหมรู้เราคิดอะไรรู้ไหม<ด>รู้ไอเนี่ยก็รู้นั่นแหละคือเป็นเจตนาท่านอ๋อค่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยค่ะตั้งแต่หนูกลับมาจากที่แดนลิฮัตอาทิตย์หนึ่งเนี่ยค่ะหนูตาหนูตาก็จะมีแต่เรื่องรู้นี่แหละมาทุกแท็กเลยเรื่องรู้เนี่ยจนหนูก็แบบว่ามึนค่ะ ว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเรามีรู้วิญญาณธาตุไหมเนี่ยหนูก็ไปย้อนกับดูไฟฟังไ ฟ, งฟงเก่าๆของหลวงตาเรื่องวิญญาณขันวิญญาณธาตุเรื่องเนี้ยค่ะแล้วหลวงตาหนูอาจจะฟังผิดเองนะคะแต่หนูฟังมีประโยคนึงที่หลวงตาบอกว่าวิญญาณธาตุเนี่ยมันจะมาแบบเมื่อเราเหมือนกับว่า เมื่อเราเมื่อเราพ้นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูอาจจะเข้าใจผิดเองอ่ะค่ะหนูก็เลยมาเรียนถามหลวงตาวันนี้ทีนี้หนูก็จิตมันก็พคงแต่งไปอีกหนูก็บอกเออไม่รู้ก็ไม่เป็นไรช่างมันพู้รู้ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจก็เอาเอาเข้าใจก็เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่สนใจอีกทีนี้มันก็หลอกตัวเองไม่ได้ค่ะหลวงตาหนูก็ไปลื้อฟังอีกแท็กต่างๆที่เกี่ยวกับวิญญาณขันวิญญาณท่าค่ะ จนมันไม่มันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ถึงใจอ่ะค่ะค่ะก็เลยเรียนถามหลวงตาอย่างนี้เพราะว่าหนูนึกว่าแบบว่าพระอริยะถึงจะมีวิญญาณธาตุแบบว่าปุตุชนผู้ยังอยู่ในเนี้ยเราก็ยังอยู่กับผู้รู้ผู้หลุรู้ผู้รู้ผู้หลุดรู้อะไรของเราอยู่อย่างเงี้ยจ้ะค่ะทีนี้ถ้าหลวงตาบอกว่าหนูก็รู้ตัวอยู่อันเนี้ยคือวิญญาณธาตุแล้ว ใช่ไหมคะก็ยอมรับกับหลวงตาเลยจชะค่ะหนูเพิ่งเห็นรู้อย่างที่หลวงตาบอกเนียค่ะวันนี้ค่ะเมื่อฟังแท็กสุดท้ายเนี่ยค่ะที่หลวงตาส่งไปเนี่ยค่ะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่หลวงตาบอกหนูว่าหนู่เป็นตัวเราไปเอาเนี่ยหนูเข้าใจเลยค่ะหนูเพิ่งจะเป็นไอ้รู้เนี่ยเมื่อฟังแท็กสุดท้ายค่ะขอเชิญทุกคนไปฟังนะคะแท็กสุดท้ายค่ะก็เลยก็เลยแบบ เลได้ได้เคลียร์นะคะจ้าขาตาก็รู้ตัวเราอย่างตรงไปตรงมานี่แหละแต่ที่บอกว่ามันไม่ไปเป็นรู้หรือมันรู้อยู่แล้วมันมีอยู่แล้วตอนเรานั่งอยู่ก็รู้ตัวเรานั่งใช่ไหมนี่ยพอจ่าไปขี้จ่าเป็นคนพูดจากก็รู้ว่าตัวเราเป็นคนพูดตอนนี้เราหยุดพูดเป็นคนฟังจากก็รู้ว่าตอนนี้เราเป็นคนพูดคนฟังพอเราคิดเราก็รู้ตัวเราคิดนี่เราก็รู้ตัวเราคิดพอเราพูดเราก็รู้ตัวเราพูดตัวเรานั่งเรายืนเรานินเราทําอะไร เราก็รู้ตัวเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนมันก็รู้ตัวเราเนี่ยคือรู้ทั้งตัวเนี่ยอวิญญาณธาตุเนี่ยหรือพุทธะพุทธะเนี่ยก็คือทำหน้าที่รู้ตัวเราทั้งตัวนี่แหละทำหม้าที่รู้ตัวเราทั้งตัวแต่ที่บอกว่าเรายังไม่เป็นรู้กันแท้ๆก็คือว่ารู้แท้เนี่ยเขามารู้ตัวเราทั้งตัวเนี่ยแต่รู้เนี่ยเขาจะคิดเขาจะปรุงไม่ได้เพกาะว่าอะไรก็ไอ้ตัวที่คิดตัวปรุงก็คือตัวเราที่ถูกรู้ ใช่ตัวตัวคิดตัวปรุงแต่คือตัวเราที่ถูกรู้แต่พวกเราเวลาเป็นรู้ถามอ่ารู้ไหมเนี่ยเรานั่งอยู่รู้พูดอะไรรู้ไหมรู้ไม่พูดรู้ไหมรู้คิดอะไรรู้ไหมรู้อ่าใครไปรู้เนี่นะอ่าใครเป็นคนรู้ว่าว่าเรานั่งอยู่ก็หนูไงหนูก็รู้ว่าตัวหนูนั่งเวลาพูดอ่ะใครรู้ว่าตัวเราพูดก็หนูไงหนูก็รู้ว่าตัวหนูพูดอ่ะตอนนี่ใครคิดอ่ะเราไปคิดอะไรที่รับที่แจ้งไว้แต่แอบคิดอะไรในที่เนี้ย ไม่มีใครรู้เลยเราแอบคิดอะไรกันกับใครในที่เนี้ใครเป็นคนรู้เออก็หนูอีกตัวเราอ่ะเป็นคนรู้เห็นไหมถามอะไรก็ตัวเราเป็นคนรู้ตัวเราตัวเราเป็นคนรู้ตัวเราแต่เอาเข้าจริงอ่ะตัวเรากลายเป็นตัวคิดแล้วก็เอาตัวเราไปคิดแม้แต่พยายามจะรู้ไอ้รู้ของเราก็คิดได้อีกบุงแต่งได้อีกแต่ถ้าที่ตัวเราเนี่ยเป็นตัวถูกรู้แต่พอเอาเข้าจริงอ่ะไอ้ตัวไอ้ตัวรู้ของเราเนี่ยคิดได้อยากได้อย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอา พอใจได้ไม่พอใจได้ปรุงแต่งได้สารพัดรู้ของเราเลยอันเนี้ยมันเป็นรู้ผิดตัวมันตรงนี้เราที่บอกว่าอรหันตุจาระว่าทั้งหลายเนี่ยอยู่กับรู้คือเป็นรู้แต่แทรรู้ที่เป็นธรรมชาติแต่แทรที่ไม่อาจปรุงแต่งได้แต่รู้ของเราเนี่ยมันรู้ตัวปลอมเราว่ามันเป็นรู้แต่มันไม่ใช่รู้มันปลอมมันตัวปลอมคือรู้ของเรามันปรุงแต่งได้เมื่อไหร่เนี่ยไอตัวที่ปรุงแต่งเนี่ยเป็นตัวถูกรู้แล้วก็มาเป็นรู้เออ แต่น่แ น, น่มันจะเป็นรู้เหมือนกับพุทธเจ้าพระธ์ทั้งหลาย <c oughs> คือรู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วในทุกคนเนี่ยเรานั่งอยู่เราก็รู้พูดอยู่ก็รู้ <c oughs> แต่เอาเข้าจริงอ่ะรู้ของเรามันปรุงแต่งได้ <c oughs> แต่รู้ของท่านอ่ะของพุทธเจ้าพระทั้งหลายเนี่ยท่านอ่ะเป็นรู้ตัวเราซื่อๆมันปรุงแต่งไม่ได้ <c oughs> มันคิดไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่คิดปรุงแต่งได้เป็นตัวถูกรู้ออแต่คร <c oughs> ัเอาเราจริงอ่ะเอาไอ้ตัวถูกรู้เป็นเป็นตัวรู้คือรู้ของเราเนี่ยสารพัดจะปรุงแต่งสารพัดเลย อยากให้เป็นอนี้พอจิตดีอยากให้มันเป็นอย่างนี้จไม่นิ่งเอย่างนี้รู้ของเราปุงแต่งทําให้นิ่งให้เฉยได้ปรุงแต่งทำให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ได um. ้ปุงแต่งสารพัดจะปุงแต่งเลยอันน yeah. ี้มันเป็นตัวถูกรู้ตัวเราที่ถูกรู้แต่เรากลับเอาไอ้ตัวเนี้เป็นรู้เนี่ยมันก็เลยเราก็เลยบอกว่ามันยังไม่พบรู้ที่แท้จริงหรอกเพราะพวกท่านอะเอาเอารู้เป็นตัวรู้ปุงแต่งหมดมันจะเลยยังไม่พบรู้ที่แท้จริงแต่มันมีอยู่แล้วนะไอ้ที่รู้ตัวเราเรานั่งก็รู้พูดก็รู้ไม่พูดก็รู้เดดิิินนนนนกกก็็็รรรรรููู้้้้ออคะไใททีี่่ับแจง มันก็รู้แต่เอาเข้าจริงอ่ะเอาไว้ตัวปรุงแต่งเป็นตัวรู้ซะแล้วมันก็เลยบอกที่ถาที่ถามเอาว่าเออเป็นรู้ันบั่งไหมเนี่ยถ้าหนูหนูเป็นรู้อย่างมันยังไม่เป็นหรอกก็มันเอามันเอาไว้ที่ปุงแต่งเป็นรู้มันยังไม่รู้ไอ้ที่ปุงแต่งถ้ามันรู้ตัวเราที่ปุงแต่งเนี่ยมันจะเป็นรู้แต่นี่เราเอาตัวเราปรุงแต่งเนี่ยเป็นตัวรู้มันเลยผิดตัวคนละตัวกันใช่เลยเจ้าค่ะหลวงตาตื่น แล้วก็ที่หลวงตาบอกว่าวิธีการฝึกของหลวงตาเนี่ยค่ะหลวงตาก็อาจจะเคยพูดหลายหนแต่ครั้งนี้ค่ะมันเพิ่งจะเข้ามาที่ใจหนูว่าวิธีการฝึกของหลวงตาก็คือเออครั้งนี้มันจะรู้และแล้วมันจะปรุงไปนานแค่ไหนอ่ะแต่มันก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็มารู้ใหม่จนกว่ามันจะสั้นที่สุดนี่ค่ะหนูก็จะนาวิธีของหลวงตาเนี่ยค่ะไปปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะเออ ก็คือว่าตอนที่เราเนี่ยไม่ไม่ไปมีกระทบอะไรเรื่องอะไรให้มันวุ่นวายใจเนี่ยเราก็ขยันฝึกเนี่ยอยู่คนเดียวเงียบๆอยู่คนเดียวเงียบยเฉยๆไปทั้งนั่งหลับตานิ่งๆนะคืออยู่คนเดียวเงียบๆแล้วก็อยู่กับตัวเองอะ่ะอยู่กับตัวเองแล้วก็ตระเกตยบดีๆว่าลูกของเราเนี่ยมันปรุงแต่งได้ไว้ มันปรุงแต่งได้เราละไอ้รู้ที่ปรุงแต่งได้ไปเรื่อยๆ เ, เรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะที่เราไมปรุงแต่งได้เรื่อยๆแล้วก็เออมันจะท้ายพอเราละหมดแล้วเนี่ยมันก็จะไปเป็นไอ้ไอ้รู้ที่ไม่ปรุงแต่งโดยอัตโนมัติเพราะเราไอ้รู้ที่ปรุงแต่งได้ถูก <c oughs> ละไปหมดแล้วไงเราต้องเกตุดู้ของเรามันคิดได้วะรู้ของเรามันพยายามได้รู้ของเรามันหาเหตุผลได้มันอยากให้เป็นอย่างนู้นอยากให้เป็นอย่างนี้ได้มันรี้นรนมันค้นหามันพยายามมันวิเคราะห์เอ๊ะอย่างงี้แล้ววามันหาถูกหาผิดได้หาเหตุหาผลได้รู้ของเรา <c oughs> มพยายามหานิพพานได้ <c oughs> เอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างนี้วะเราว่ารู้เนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้มันกระเพื่อมไม่ได้ไหวตัวไม่ได้คือไอ้ที่มันไหวตัวได้กระเพื่อมได้มันเป็นตัวเราที่ถูกรู้อ้าวไงมันกลับด้านเอาเอารู้ที่เป็นตัวเราที่ถูกรู้ว่าเป็นรู้วะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแหละนางพยายามได้เป็นรู้อ้าวมันก็พยายามพยายามพยายามอยู่แน่แน่อ้าวเอ๊ะทำไมรู้มันปรุงแต่งได้วะแต่ไอัที่พยายามเนี่ยเป็นตัวที่ถูกรู้คือตัวเราที่ถูกรู้ เออเอาตัวเราไปพยายามได้เอารู้ที่พยายามจะรู้พยายามจะรู้พยายามจะปูุแต่งพยายามจะรู้เฮ้ยทำไมรู้ของเราเนี่ยมันคิดได้พยายามได้คิดได้พยายามได้วะปัญญามันมาที่หลังโง่กอนทุกทีอะโง่กอนปัญญาณมาที่หลังอะยอมรับทุกทีนะมันก็โง่กอดนั่นแหะทุกคนอะมันต้องโง่กอนฉลาดที่หลังนี่ค่ะมันทําว่าไอ้ตัวที่คิดได้พูดได้มันพยายามได้เป็นตัวเราเป็นรู้เรื่อยวะเฮ้ยบอกก็รู้นี่มันเป็นธรรมชาติแท้ๆที่มันมารู้ตัวเรามันพูดไม่ได้คิดไม่ได้แสดงกริยาการใดๆไม่ได้ ทำไมมันเอาไว้ตัวที่พยายามได้คิดได้ปรุงแต่งอะพออยู่ตัวคนเดียวเท่าไหร่มันก็เอาแล้วอยู่ตัวคนเดียวเราก็เพียนอยู่หยิบหยิบสะเก็ดอยู่หยิบหยิบสะเก็ดอะไรเห็นทุกทีว่ามันเอาไว้ตัวรู้ไปเป็นตัวปรุงแต่งทุกทีเลยมันเอาตัวปรุงแต่งได้ไปตัวรู้เอาตัวรู้ไปตัวปรุงแต่งได้อแต่โง่ไปก่อนแล้วก็มาเห็นไม่เห็นทีหลังอ่ะเอาเห็นที่หลังก็วางไปเอาใหม่เห็นที่หลังก็วางไปก็คือเห็นที่หลังแล้วเพราะเอาใหม่เอาใหม่ อ้าวไอ้ท so. so. oh, ี so. So, so. so. ่เอาใหม่อยู่เรื่อยๆไอ้ตัวนั้นก็เป็นตัวพยายามใหม่เรื่อยไปอ่ะเอ๊ะมันทไปอย่างนี้วาแล้วก็โง่อยู่เรื่อยอ่เงี้ยจนสุดท้ายเออมึงเป็นยังไงกูก็รู้ไปซื่อๆเงี้ยอ้าวเจอเลยเว้ยตอนเนี้ยมึงจะปรุงแต่งไหมปรุงแต่งไงอ่ะกูรู้ไปซื่อๆเลยมึงอยจะปรุงแต่งไงก็ไปปรุงแต่งไงกูก็รู้มไปซื่อๆเลยไม่ต้องคอยเอาใหม่อยู่เรื่อยเลยเออเจอเลยตอนเนี้ยเจอไอ้ตัวไม่ปรุงแต่งเลยคือมึงจะปรุงแต่งไงกูก็รู้ไปซื่อๆมึงจะปรุงแต่งไง แค่นั้นแหละมเที่ยวว่าไอ้มึงทำไมปรุงแต่งอยู่เรื่อยเลยวะทาไมไอ้ที่เอาใหม่เอาใหม่น่ะคือปรุงแต่งใหม่พอมันปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งเอ้ยมันทำไมเป็นหลงคิดหลงปรุงแต่งอยู่นี่วะเนี่ยพยายามอย่างนู้พยายามนี่หาถูกคาผบพี่เอาใหม่เอาใหม่อ้าวเพเอาใหม่อะล้วก็หลงมันอย่างเงี้ยอยู่พักใหญ่น่ะไอ้ที่เอาใหม่นี่คือเริ่มปรุงแต่งใหม่เอาใหม่เริ่มปรุงแต่งใหม่เป็นอย่างนั้นเรื่อยไปนะมันโง่ก่อนแล้วฉลาดทีหลังยอมรับเลยอ้าวพอนั่งหนักงหนักเข้า มันก็เริ่มฉลาดเฮ้ยช่างมึงวะมึงจะปรุงแต่งไงกับช่างมึงเออมึงจะปรุงแต่งไว้ปรุงแต่งกับช่างมึงเออ้าวเพราช่างมึงแค่นั้นเนี่อ้าวเฮ้ยเลยมันมันว่างเปล่าเบาสบายไปเลยมึงอยกปรุงแต่งไงกับช่างมึงเออมึงอยปรุงแต่งกันช่างมึงเออเออพรช่างมึงหรือช่างมันช่างมึงหรือช่างมันช่างมันช่างมันหรือช่างมึงเออไม่ได้เรื่องกูไม่เกี่ยวกัน มึงอยปุงแต่งไปปรุงแต่งกูเบื่อเต็มทีแล้วเอาแค่นั้นแหละเลยช่างมึงหรือช่างมันเลยสบายเลยเอาเลยอ่ะไอนี่มันมันกลับว่างป่าบสบายกว่านี่ว่าะมันต้องมีพยายามพยายามพยายามค่อยลงไปแล้วค่อยมารู้สึกตัวลงแล้วมาค่อยรู้สึกตัวลงมาค่อยรู้สึกตัวเฮ้ยมันยังไงวะเนี่ยไอตีพยายามพยายามนี่มันก็ปุงแต่งไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยโง่ไปก่อนนะโง่ไปก่อนเรามาฉลาดทีหลังแล้วก็อ่ะตอเนี่มันจะเป็นยังไงกับช่างมึงเลยมันจะเป็นยังไงกับช่างมึงเลย เลยนั่งดูไปเฉยๆเป็นีโยบายเลยเป็นไงเอ่อมันเวลาเรารู้แล้วนะครับที่ที่ที่เราเห็นว่ามันเป็นปรุงแต่งนั่นนะครับแต่เรายังยังยังยังพูดในใจว่าอ๋อมันเป็นปรุงแต่งยังเห็นเห็นเห็นที่มันปูงแต่งไว้แล้วราบอกอันนี้ปุงแต่งอันนี้ปุงแต่งอันนี้สังขารสังขารมันยังมันยังยังพูดในใจอยู่ครับหลวงตา มันจะพูดยังไงก็ช่างมันเหอะเมื่อกี้เช่างมึงช่างมันช่างถ้าอะไรพูดจบหยาช่างแม่งเออถ้าพูดหยาปะอนี่ยช่างแมงอจะพูดจะจะปูไงก็ช่างมันเหอะช่างมึงช่างมันช่างอะไรก็ช่างอะช่างที่ก็อะไรเขาเอาหัวมันมาใส่กิโลหัวใหญ่ใหญ่อะช่างมันช่างมันที่เขาเขาเขาไปเป็นรูปเอะไรเอาหัวมันมาใส่กิโลช่างมันช่างมันนี่ก็ช่างมันเหอะนี่ถ้าเราพยายามแบบว่า มันรู้เราเจ้าไม่ปูกแต่งใช่ไหมันรู้เราต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมมนรู้แล้วต้องมันต้องมาพูดไปได้ใช่ไหมรู้เราจะมันต้องไม่ปูกแต่งรู้เราจะต้องมันไม่ต้องมาคิดรู้แล้วมันจะต้องกระเพื่อมไปได้ใช่ไหมเออมันจะกระเพื่อมเนยกระเพื่อมจ้างมันเถอะเอออย่างนี้สบายใจมันจะปุกอย่างไก็จ้างมันเถอะรู้แล้วมันจะคิดจ้างมันเถอะรู้แล้วมันจะปูกแต่งจ้างมันเถอะรู้แล้วมันจะพูดได้แล้วได้ก็จ้างมันเถอะจ้างมันช่างมันช่างมันนี่คือเนี่ยไอ้จ้างมันจ้างมันนี่คือปล่อยวางค่ะเป็นปะ ช่างบรรจงจางจิงอเราก็ป่อยวางกูก็ที่ที่หลวงตาที่ผมไปวังม่วงนะครับไปวังม่วงหลวงตาบอกว่าบอกบอกพี่เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกมันก็มีแค่สังขารกับปุงแต่งแค่นั้นแหละทีนี้มันมาเข้าใจว่าสังขารปุงแต่งมันก็มีมีแต่สังขารจริงๆครับที่ที่ซึ่งช่วงที่มันเข้าใจในฟังฟังจากลายนะครับ ไม่รู้ว่าจะสื่อสารให้ดวงตาเข้าใจผมได้หรือเปล่าเข้าใจเข้าใจก็เป็นแฟนพันธแท้ก็้าใได้แหละเป็นแฟนพันแท้แฟนพันแท้ติดตามนะเป็นแฟนพันธแท้แล้วก็แน่นอนแน่นอนเลยถ้าเป็นแฟนพันแท้แล้วก็แป๊บเดียวเข้าใจเลยถึงใจก็สรุปแล้วก็คือแต่ก่อนเนี้ยหนูก็เป็นผู้รู้ที่ไม่ซื่อค่ะดวงตา บอกว่าแทนที่จะรู้ซื่อๆก็คือเหมือนที่หลวงตาสอนเสมอว่าหนูเนี่ยเอาตัวเราไปเป็นผู้รู้เองตลอดเลยค่ะเนี่ยครับต่อไปก็จะเป็นผู้รู้ซื่อๆนะคะหลวงตาไอ้ตัวนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันคำนี้เจ้าห <c oughs> นากลัวต่อไปจะเป็นผู้รู้ซื่อๆแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันตัวเนี้ยใช่ไหม มันจะน่ากลัวได้ตัวเนี้ยคือมันจะซื่อไม่ซื่อกับช่างมันเหรอเออแนวมันชื่อใจเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้มันไปตรงตเลยเนี่ยมันจะซื่อไม่ซื้อก็รู้นไปตรงตงอย่างงี้ยเนี่ยมันรู้ซื่อเราก็รู้นไปตรงตรงอย่างมันรู้ไม่ซื่อเราก็รู้มันรู้ไม่ซื้อไปตรงตอย่างเงี้ยเนี่อ๋อจะค่ะเพราะว่ามันต้องมีสลับกันใช่ไหมคะลงตามันต้องมีสลับกันไปบางทีมันก็ก็รู้เ่ย ผู้คนใปัจจุบันเนี่ยจ้างมันจริงๆฮะมันจะรู้ซื้อไม่ซื้อก็จ้างมันเออแค่เนี้ยมันใจมันหมดหมดความวุ่นวายเลยหมดความพยายามหมดความปวดหัวเลยแต่เนี่ยคือจ้างมันเน่ยมันจะรู้ซื้อไม่ซื้อก็จ้างมันะแต่เราก็รู้อยู่เนี่ยเออแต่มันรู้แล้วมันซื้อไม่ซื้อก็จ้างมันจ้างมึงจ้างมันช้างมึงจ้างมึงไม่เกี่ยวกับกูเลยมึงอยากจะรู้ซื้อไม่ซื้อไม่เกี่ยวกูแล้วจ้างมันจ้างมันไม่เกี่ยวกับกูจ้างมึงจ้างมึงเออสบายแต่ทีนี้สมมุติว่าเรายังเป็นผู้ เหมือนกับว่าไม่มั่นใจในตัวเองนะคะหลวงตาคือบางครั้งเนี่ยเรามักจะคิดตามค่ะหรืงสมมุติว่าเออเนี่ยรู้เฮ้ยใช่ปะรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับพูดย้อนหลังไปทุกทีมันไม่เป็นปัจจุบันบอก็ช่างมันแล้วมันจะเป็นจะเป็นอย่างกระช่างมันอ๋อค่ะนนี้เดี๋ยวนี้โดนแบบมันจะเป็นปัจจุบันน้อยปัจจุบันมันควรจะพูดย้อนหลังก็มันพูดย้อนหลังกระช่างมัน เออพรช่างมันปลอบสบายออืใจสบายแฮงเลยแต่เราพยายามมันต้องไปชอบผูจนหลังไหมเราพยายามจะไปทําให้มันไม่ยอดหลังโอ้ปวดหัวมากเลยแตเราไปพยายามอะไรปวดหัวตลอดเลยหลวงตาค่ะเข้าใจถูกไหมคะว่าสมุนวลาที่อยู่ในห้องแบบเนี้ยค่ะมันก็เข้าใจเหมือนกับเหมือนกับเข้าใจตามหลวงตาได้ค่ะแต่ว่าพออยู่ข้างนอกปึ๊บมันไม่ตั้งมั่นนะคะพอไม่ตั้งมั่นปึ๊บ มันก็จะไม่ได้เห็นอะไรแบบว่าที่มันเป็นสักแต่ว่าเห็นไหมว่าไม่ได้เห็นด้วยความเป็นกลางมันก็จะเข้าไปเป็นมันเป็นเพราะว่าจิตใจขาดความตั้งมั่นหรือเปล่าคะเข้าใจแบบนี้ถูกไหมคะจะหาตั้งมั่นนีกแล้วเดี๋ยวคือขอให้วันเนี้อะมันเป็นอย่างไรแล้วก็รู้อย่าไปตรงตรงอย่างที่มันเป็นเนี่ยเมันเป็นยังไงก็รู้ไปตรงตรงอย่างที่มันเป็นทุกขณะปัจจุบันต้องไปหาตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นแล้ว คือมันเป็นยังไงก็ช่างมันมันเป็นยังไงช่างมันเป็นไงก็ช่างมันรู้แบบเงี้ยมันขอให้มันรู้อย่างเดียวเนี่ยตะพุตตะพือให้รู้อย่างเดียวตะพุตตะพือมันเป็นยังไงก็ช่างมันตลอดเวลาขอให้รู้อย่างเดียวตะพุตตะพื้มันจะรู้แบบว่าตรงไปตรงมาไม่ตรงไปตรงมามันจะตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นขอให้รู้อย่างเดียวมันมันไม่ตั้งมั่นก็รู้ไม่ตั้งมั่นอะไรก็รู้กันอย่างเดียววางอย่างเดียวไม่ต้องไปหาอะไรไม่ต้องไปหวังเงื่อนไขอะไร ไม d, los, mal, ่เครียดไม่ปวดหัวเลยอย่างเงี้ยคือจ้างมันจ้างมันอย่างเดียวอ่ะจ้างมันจ้างมันมันเป็ไงก็จ้างมันเออแต่ขอใอย่างเดียวขอให้ให้รู้แล้วจ้างมันรู้ไว้มันรู้แล้วก็จ้างมันจ้างมันตรงไปตรงมาอย่างที่มันเป็นทุกขณะปัจจุบันอย่างนี้จะเข้าใจได้ไหมถ้ามันหนูพยายามจะไม่มันเป็นรูปปัจจุบันไม่ให้มันเป็นอดีตเราจะต้องตั้งมั่นอะไรเงี้ยปวดหัวมากเลยฮะเราแค่ฟังเราก็ปวดหัวจี้เลย